ท่านฟังที่เคารพคะใยการสัสนิษฐานาเรามุ่งเน้นที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงสิ่งที่พระศาสดาของเราได้สอนเอาไว้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์พึงจะรู้ทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นห่วงเวลาของการที่พระสงค์จะได้จำพรรษาเพื่อที่จะมีโอกาสได้ปฏิบัติตนตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ได้วางไว้ ให้มากยิ่งกว่าประมาณเราก็จะช่วยเวลานี้ที่ท่านทั้งหลายก็ถือโอกาสตามพระด้วยเพื่อจะทําในสิ่งที่ดีในระยะเวลาประมาณ3าเดือนนี้มากกว่าปกติธรรมดามาฟังธรรมะที่แตกต่างไปจากทุกๆุกวันที่เราเคยเสนอผานมาในช่วงเวลาของท่านพิบูลนภิปุลโนเนี่ยนะคะท่านก็จะเลือกเอาพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่ควรแก่การที่พวกเราจะได้รู้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่พระศาสดาตรัสเอาไว้ด้วยพระองค์เอง แล้วเราก็จะได้พบว่ามีหลายจุดทีเดียวที่แตกต่างจากที่เราเคยรู้กันมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านพิบูลมีความพิเศษในแง่ที่มีเรื่องของข้อธรรม ป, รป่าปนอยู่ในนั้นด้วยวันนี้เราไปกราบเรียนถามท่านพิบูลกันต่อนะคะว่าท่านจะเล่าให้เราฟังต่อในเรื่องพุทธประวัติส่วนไหนนักมศการกันทัานคะอาจารย์รียพร้อพุทธประวัติวันนี้ที่เราได้กล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้คือเรื่องของลักษณะ มหาบุตรสามสิบประการเนะาะก็ได้พูดถึงตอนหนึ่งเรื่องเมื่อวานคือตาของพระพุทธเจ้าที่มีสีเขียวเขียวเข้มเนี่ยสีเขียวเข้มเหมือนสีนินอย่างนี้นะแต่ว่าในลนักษณะของภาษาบาลีสีนินเนี่ยจะเป็ลนลักษณะที่ไม่เข้มเหมือนกับเข้มดําอย่างนั้นแต่อ่อนๆนะเป็นสีเขียวที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามีได้เมื่อก่อนเนี่ยได้เคยกระทำกรรมเอาไว้ในลักษณะที่ว่า มองดูผู้อื่นด้วยสายตาแห่งความรักนะแช่มชื่นไม่ไม่ดูด้วยสายตาขึงเครียดนะไม่จ้องดูด้วยความกดแค้นอย่างเงี้ยไม่มองดูลับหลังคนอื่นอย่างเงี้ยนะไม่จ้องรับหลังไม่ค้อนว่างั้นเถอะเป็นผู้ที่แช่มชื่นมองดูตรงๆก็จะทำให้พระองค์เนี่ยได้ลักษณะอันนี้คือมีตาเขียวสนิทแล้วก็มีตาดุจตาโคตาโคเนี่ยเป็นยังไงคือมีตาดามากกว่าตาขาว Oh. อ๋อจะมีคือทั้งตาเนี่ยเหมือนกับจะมีแต่ตาดําเลยละ่ะตาขาวแทบจะมองไม่เห็นค <c oughs> ่ะอ่าก็ทําให้ผลเกิดขึ้นในชาตินี้นะก็คือว่าเป็นผู้ที่ต้องตาของชนหมู่มากเป็นที่รักใคร่พอใจของบุคคลทั้งหลายใครต้องการให้คนอื่นมองดูตัวเองอย่างด้วยสายตาแห่งความรักเนี่ยนะไม่ให้เขามองดูโกโรธแค้นคเครืองเราเนี่ยก็ให้ทำกรรมลักษณะอย่างที่พระเจ้าทำอย่างนี้แหละไม่จ้อง <c oughs> รับหลัง ไม่ค้อนควักไม่ถะลึงตาใสอย่างนี้อืเขาท่ากันน้าจะมาว่าอะไรนะครเขาท่าดีแล้วอีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีโรคน้อยละมีอาพาสน้อยมีธาตุไฟเนีทำให้ย่อยอาหารได้สม่าเสมอเพราะว่าลักษณะมหาบุุษข้อนี้ก็คือว่ามีประสาทรับรถอันเลิศนะหมายความว่าลิ้นของพระองค์เนี่ยดีมาก าสามารถรับรอดได้อย่างถูกต้องที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะผลคืออะไรเพราะเหตุคืออะไรเหตุ <_. S 1> ก็คือเพราะว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยศสตราอาวุธอย่างเงี้ยคือไม่ชอบรังแกสัตว์ไม่ชอบแกล้งคนอื่นมากงันเถอะนะพอไม่แกล้งคนอื่นไม่แกล้งสัตว์ด้วยอาวุธใดใดก็ตามเนี่ยพอเกิดมาใหม่ก็เลยทําให้มีลักษณะอย่างนี้คือลิ้นเนี่ยรับรอมีประสาท ร, รับรอดอันเลิศทำให้มีธาตุไฟเนี่ยเพียงพอไม่ป่วยง่าย แลนะซึ่งอันนี้สอดคล้องกับเรื่องของกรรมที่ว่าถ้าคนชอบแกล้งคนอื่นเนี่ยนะจะทําให้ป่วยมากป่วยบ่ยอยอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือพระเจ้าเนี่ยมีฟันครบสี่สิบที่แพทย์บอกว่าคนทั่วไปมีฟัน32มสนะิบสองซี่ะแต่พระเจ้ามีฟันสี่สไอสามสองซี่เนี่ยบางคนไปนับไอฟันคุดด้วยใช่ไหมอีกสี่ซี่บนล่างซ้ายขวายัางต้องเอาออกก็เหลือแค่28สซนะี่คนปัจจุบันนี้ทุกคน ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะมีแค่28ซี่นะถ้าปเป็นฝ <c oughs> ฟันคุดออกแล้วนะแต่พระเจ้า <c oughs> มีฟัน4ี่นะแล้วก็เป็นฟันที่สนิทไม่ห่างกันคือไม่ฟันเหยินไม่ฟันห่างไม่ฟันอย่างเงี้ยค <c oughs> ืฟันไม่มีปัญหาที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าไม่กล่าวคําสอเสียดอืมไม่กล่าวคํายุยงให้แตกกัน <c oughs> ทำมามากทำมากามากๆสังสมมากๆแล้วทําให้พระองค์เนี่ย <c oughs> เกิดมาเป็นผู้ที่มีฟันครบ4ี่แล้วก็สนิทไม่ห่างกัน ผลที่จะเกิดขึ้นในชาปัจจุบันก็คือทําให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้มีหมู่คณะไม่กระจัดกระจายนะคือเป็นพวกเดียวกันสามัคคีกันไม่กระจายกระจายนะคือพิกษุพิษุณีอุบาสกอุบาสิกามนุษย์เทวดาพวกเนี้ยพร้อมเรียงกันไม่กระจัดกระจายว่างันเถอะค่ะอันนี้น่าสนใจมากนะคะคือเรื่องพระพุทธองค์ตรัสสัมมาวาจาใช่เรื่องของสัมมาวาจามีองค์อื่อีกเรื่องของสัมมาวาจาคือไม่กล่าวคำหยาบ ใช่ไม่กล่าวแต่ว่าจะที่สนอสดนะเป็นที่เป็นสุขแก่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักเวลาพูดเนี่ยก็พูดสิ่งที่ดีๆให้คนมีความซาบซึ้งถึงใจอย่างนี้นะทำให้พระองค์เนี่ยเกิดมาในพบนี้เป็นผู้ที่มีเสียงเหมือนพรมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเสียงเหมือนพรมนัคือลักษณะของเสียงที่กระหึมไปฟังแล้วสบายหูเราอาจจะเคยสังเกตคนบางคนนี่มีเสียงแหลมแบบจี้หูขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นอย่างนั้นจะมีลักษณะเสียงเหมือนพรม ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะ ว, ว่าไม่กล่าวคำหยาบใช่ไหมพูดเนี่ยพูจพ้จาไพเราะมาสมัยก่อนแต่ไม่โปร่งในชาตินี้มีเสียงลักษณะ น, นีะ้ผลที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเป็นผู้ที่เวลาพูดแล้วคนอื่นฟังถ้าทุกคุณต้องการให้พูดแล้วคนอื่นฟังให้สร้างกรรมอย่างนี้นะมีวาจาที่ผู้อื่นย่อมเ อ, อเื้อเฟื้อเชื่อฟังนะพูดอะไรไปเนี่ยอย่างอริยสาวกเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไปทางไหนเขาทํางานพระพุทธเจ้าสั่งอะไรเขาทําตามตันดีนะมีวาจาลักษณะนี้ จะที่ไม่ไม่หยาบอีกประการหนึ่งคือไม่พูดเพอเจอร์เนี่ยมันก็เกี่ยวกันเหมือนกันนะเรื่องนี้พอไม่พูดเพอเจอร์แล้วทำให้พระองค์เนี่ยมีลักษณะข้อนี้คือมีคางดุดราชสีมีคางดุดราชสีเนี่ยผลคืออะไรผลก็คือย่อมเป็นผู้ที่ศัตรทูทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้นะคือไม่มีใครจะสามารถอาลอบสังหารพระองค์ได้นะอย่างที่พระเทวทัตจะเคยทำเนี่ย ทำได้อย่างมากที่สุดก็ทำให้โลหิท่อใช่ไหแต่รอบค่าไม่ได้อย่างช้างนารันกิรีเนี่ยจะมาฆ่าเนี่ยนะก็ทำไม่ได้เป็นผู้ที่ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่มีวาจาเพื่อเจออันนีอันนี้คือลักษณะของหมหาบุนระในเรื่องของพุทธประวัติก็ะจะจบตรงตรงนี้ก่อนสำหรับวันนี้เเท่านี้ก่อนก็เป็นการทาให้เรารู้จักพระพุทธองค์ ศาสนาของพวกเรามากที่ขึ้นแล้ ว, ว่าท่านพัยบุญกําลังจะพูดถึงอริยศาสตร์ต่อสิคะถูกต้องค่ะประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งว่าในเรื่องของพุทธประวัติเนี่ยอาตมาต้องการจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยแทนที่จะไปดูลักษณะของพระเจ้าเนี่ยนะแต่ให้ดูเหตุที่พระองค์ทํำทําให้ได้ลักษณะอะไรแล้วได้ผลอะไรในชาติปัจจุบันถ้าเราต้องการผลอย่างนั้นเราทําซะนะเราสร้างเหตุอย่างที่พระเจ้ทาทำมาที น, นี้เรื่องของอริยศาสตร์ พระเจ้าเคยตรัสว่าถ้าเปรียบเทียบนะเรื่องอริยสัจ ส, สีเนี่ยถ้าไฟไม่หัวอยู่ไม่ผมอยู่ไม่เสื้อผ้าอยู่นะแล้วต้องดับไฟเนี่ยแทนที่จะดับไฟก่อนให้รู้รีบรู้อริยสัจ ส, สีก่อนนะเพราะว่าถ้ า, ายังไม่สามารถรู้อริยสัจ ส, สีจนาสามารถเป็นโซดาบันไดเนี่ยจะต้องมาเกิดอีกนับภพบนับชาไม่ทวนความเสี่ยงที่จะมาต้อง เจอเหตุการณ์ที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอีกมันไม่รู้จบนะแต่ถ้ารู้อริยสัจสี่จนถึงเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยนะต่อให้ทุกชาติที่เกิดคุณมีไฟไหม้ผมไฟไหมเ้เสื้อผ้าเนี่ยก็อย่างมากเจ็ชาตนะิมันคุ้มกว่ากันนี้ประการที่1ประการที่สองออก็คือว่าอย่าพิ่งตายหนะมายความว่าคุณอย่าพิ่งใช้ชีวิตของคุณเนี่ยในการทําอย่างอื่นถ้าเผื่อว่ายังไม่รู้อริยสัจ อันนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนมีคนถูกลูกศรยิงคุณยมติวถูกปืนยิงมาอย่างเงี้ยแล้วปืนลูกศรเนี้ยมันมียาพิษด้วยใช่ไหมแทนที่จะไปหาว่าคนยิงเป็นใครลูกธนูชนิดนี้เป็นแบบไหนขนที่ใช้ยิงเป็นแบบไหนเก่าทันทําด้วยไม้แก่นหรือไม้กระพี้ทาด้วยไม้อะไรสายที่ใช้ยิงเนี่ยเป็นสายชนิดทําจากหนังควายหรือทําจากพืชชนิดไหนไปเที่ยวหาตรงเนี้ยไม่จบค่คุณจะตายก่อนอ่่คะ ก็เลยให้รีบรู้อริยสัจก่อนนะถ้าใครจะไปรู้เรื่องโลกอย่างเงี้ยไปเที่ยวศึกษาหาวิชาความรู้ความนั่นนี่ก่อน เ, อเรียนจบก่อนเดีวค่อยไปปฏิบัติธรรมก็ได้ เ, เดี๋ยวทำงานให้ได้เงินเท่านี้ล้านเท่าโน้นล้านก่อนเดี๋ยวค่อยไปปฏิบัติธรรมก็ได้มันประมาทไปหน่อยนี่คนส่วนใหญ่เป็นนะคะอ่าประมาทไปหน่อยเราทาําคูบพู่กันไปได้ไงแต่าามาไม่ได้หมายความว่าคุณต้องออกไปบวชเลยนะอ่าตัดบ้านตัดเรือนพ่อแม่ลูกเมียตัดทิง้งไม่ใช่อย่า ง, งานั้นเราก็ทําไปพร้อมๆกันได้ นะไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนฟังสั้สนีสนทนาใช่แล้วก็ตอนช่วงต้นรายการมีให้ปฏิบัติ ด, ด้วยใช่ไหมตอนต่อมาก็มีพุทธวัจนะให้ฟังอธิบายต่อไปอีกอย่างเงี้ยมีเวลาแค่กับรายการสั้นสนีสนธนาวันละครึ่งชั่วโมงพอไหมคะท่านค ะ, ะก็คิดว่าพออยู่ตอนข้ามเราก็ไปนั่งสมาธิด้วยก่อนนอนะนะเช้าเย็นต้องมีการปฏิบัติอย่างเงี้ยคิดว่าจะเป็นการถีค่ ะ, อ, ะอีกประการหนึ่งในเรื่องของเรียสสีเนี่ย พระเจ้ายืนยันว่าที่พระองค์มาเป็นสมมาสัมพุทธะได้ น, นะก็เพราะว่ารู้อริยสัจ ส, สใครรู้อริยสัจ ส, สีแล้วเนี่ยก็ชื่อว่าออรอบรู้หมดละจบละพอละนะรู้ทั้งโลกเลยรู้เหตุให้เกิดโลกความดับไม่เหลือของโลกเพราะว่าโลกนี่อยู่ในตัวเรานะคือธาสีดินน้าไฟลมอะไรก็อยู่ในตัวเรานี่แหละนะแล้วถ้ารู้ตรงนี้ก็คือรู้จบนะรู้แล้วจบได้ แล้วก็คําสอนของรพระเจ้าคุณโยมติ๋วเรื่องอริยสัจสเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่กับมนุษย์แตมันขึ้นไปถึงนน่นเทวดากระเทือนเลื่อนลั่นไปถึงเทวดาแนะเทวดาเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาเนี่ยโอ้ยมนุษย์นี่มันอายุสัน้นฤทิก็ไม่มีเหาก็ไม่ได้กินอาหารก็ห ย, ยาบหยบตัวก็เหม็นเมนะเทวดาดีกว่าเทวดาเหนือกว่าเทวดาละเอียดกว่าเทวดายุยืนกว่าชั้นครองโลกเทวดาบางตนคิดอย่างนี้ แต่เทวดาเหล่านั้นเนี่ยพอมาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็มารู้สึกเหียวแห้งใจว่าโอ้ยเราไม่เที่ยงก็มาสำคัญตัวพระเที่ยงมาสะดุ้งกลัวว่ า, เ, าเราคิดว่าเราจะไม่ตายแต่จริงๆเราก็ต้องาตายดับไปเหมือนกันเทว ด, ดาบางตนก็มาระลึกได้อย่างนี้เพราะฟังคำของพระเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบลักษณะนี้ว่าตัวพระองค์เนี่ยเหมือนกับพญาสีห์นะออกจาก ที่พักในเวลาเย็นจะไปหาอาหารเนี่ยก็บรรลือสีนานากรทาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ที่ไม่เกี่ยวข้องให้หลบไปซะนะเพราะว่ากลัวที่สัตว์เล็กๆน้อยๆจะต้องมาเดือดร้อนพระเจ้าจึงบรรลือสีนาาการบรรลือสีนาของพระองค์เนี่ยก็คือการประกาศธรรมะเอกไปก่อนนะประกาศ <c oughs> ธรรมะออกไปใครมีทิฏฐิไม่ถูกต้องปรับแก้ซะนะคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนนะด้วยด้วยหวังข้อนี้เป็นเหตุอย่างเี้นะ <c oughs> เรื่องที่พระองค์จะประกาศออกไปนั่นก็คืออริยรรสัจสี ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องอริยสัจสีเนี่ยคือเรื่องที่พระองค์มาสอนมากที่สุดบ่อยที่สุดแล้วก็คือมีแค่นี้แต่ใครว่าพระเจ้ารู้แค่นี้พระเจ้ารู้มากกว่านั้นมากนะพระเจ้าเนี่ยเคยเปรียบเทียบกับความรู้ของพระองค์ที่รู้เนี่ยเท่ากับใบไม้ในต้นไม้ทางต้นนะแต่เรื่องอริยสัจสีที่เอามาสอนเนี่ยแค่ใบไม้หนึ่ใบค่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยรู้เรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะที่ไม่ได้มาบอกสอนเพราะว่าเวลามันหมดก่อ น, อน ค, คือช่วงชีวิตก็มีเท่านี้นะแล้วถ้าไปรีบบอกเรื่องอื่นเนี่ยมันก็ไม่สำคัญก็เลยพูดถึงเรื่องอริยสัจสีนี้ก่อนแล้วก็ความรู้ตรงนี้ก็เท่ากับไปไม้แค่ในกํามือเมื่อเปรียบเทียบหความรู้ทั้งหมดยุคกันหนึ่งที่สำคัญของเรื่องอริยสัจสีนี้ก็คือว่าเวลาที่สาวกมาอยู่กับพระองค์เนี่ยคืออย่างสมมติเราถือพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ย เรากราบไหว้พระเจ้าวสวดมนต์ทำวัดเจ้าวัดเย็นใช่ไหมมาอยู่ภิกษุองค์ไหนบวชก็ตามเนี่ยนะไม่ใช่เพราะว่ามาตามหาว่าเอ้ศา ส, สนานี้จะเป็นยังไงหวังเพื่อจะได้ลาบสการะอะไรต่างๆไม่ใช่แต่คนที่มาอยู่กับพระองค์ศึกษากพระองค์เนี่ยก็เพราะว่าเนื่องด้วยเหตุของอริยสัจสีเพราะเขาต้องการรู้ว่าทุกเป็นยังไงเหตุให้เกิดทุกเป็นยังไงไม่ได้มาอยู่เพราะว่าความที่บรุรุาเป็นคนที่ กินอาหารน้อยบ้างครองชีวรเศร้าหมองบ้างอะไรอย่างนั้นค่ะเหมือนเราไปหาครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ได้สนใจที่ว่าท่านมีความเป็นอยู่ยังไงแต่เราสนใจที่จะแปลวธรรมะอย่างฟังรายการเนี้ยเราก็สนใจที่จะเอาธรรมะเนีจะฟังที่ไหนก็ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายในวันนี้ก็คือว่าพระเจ้าก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะพระพุทธเจ้าองค์ใดๆเนี่ยก็รู้อริยสัจสเหมือนกัน แล้วการที่เรารู้อริยสัจสีหรือมาชักชวนให้คนอื่นรู้อริยสัจสีเนี่ยคนที่ทําให้เรารู้อริยสัจสีเนี่ยนะคุณโยมติว๋วมีอุปการะมากจริงๆนะมีอุปการะมากแล้วถ้าจะชักชวนใครนะใครที่เราพูดแล้วเขาจะเชื่อนะให้เราชักชวนเขาเนี่ยไปรู้อริยสัจสีก่อนเลยไว้นั้นอื ม, อมค่ะนี่ก็คือคุณลักษณะของอริยสัจสี่ซึ่ง เป็นสิ่งที่ล้ำค่าเหลือเกินแล้วพระพุทธองค์นั้นก็ตรัสรู้และสอนเรื่องนี้เรื่องเดียวใช่ส่วนเรื่องที่รู้เนื้รู้มากกว่าอริยสัจสถูกไหมคะแน่นอนเพีแต่ตรัสสอนไว้เท่านี้เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นแ ก, ทก่ทุกๆคนดังนั้นจึงควรที่จะให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งบางคนอาจจะกลัวเสียเวลาเพราะยังมีเรื่องโลกอีกเยอะแ ย, ยะต้องทํา <c oughs> ท่านพบูลน์บอกพระพุทธองค์ตรัสว่ารู้อะไรอริยสัจสี่เท่ากับรู้ทั้งโลกใช่ไหมคะใช่ใช่รู้แล้วจบรู้แล้วพอละ นะคะบางคนอาจจะยังไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อท่านอย่าหยุดอยู่แับเพียงแค่ความไม่เชื่อมันจะเป็นความสงสัยติดตัวท่านไปจนตายเลยนะคะท่านต้องมาฟังต่อว่าที่ว่าโลกอยู่ในอริยสัจสี่นั้นเป็นเช่นไรใน ก, ยยการสนท น, นาจะมาค่อยๆขยายความให้ท่านฟังทุกวันรับรองรู้แน่วันนี้ก็ติดตามท่านเพรบุญกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะนมันส ก, การขอบพระคุณท่านคะ่ะอจารย์เรีพนพร ค่ะท่านฟังคระแลนี้ก็เป็นรายการ ส, ส, น, สนทนาภาค พ, พิเศษช่วงเข้าพรรษานะคะให้ท่านได้ฟังธรรมเฉพาะเลยในส่วนอริยสัจสี่แล้วก็ในส่วนของพุทธประวัติที่พระพุทธงธ์กัดเล่าเองซึ่งมีจำนวนหลายจุดทีเดียวที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยศึกษามาแล้วน่ารู้มาก ติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีห้าถึงตีห้าครึ่งที่วิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ค่ะคําถามส่งไปนะคะที่เพียวธรรมะ .com/106 และที่022690006ซึ่งเป็นเบอร์ของสถานีครอบครัวข่าวที่นี่ท่านก็ติดต่อมาขอรับหนังสือพุทธวจนะได้นะคะท่านละหนึ่งเล่มวันละสาท่านอภิธันนาการจากวัฒนาพงศ์พระอาจารย์คึกฤทค่ะ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ดีค่ะ